ทำวัชาวัตเยนแล้วพิจารณาสิ่งที่เราเกี่ยวข้องด้วยก็ดีเหมือนกันที่เราสาธยายเมื่อกี้นี้แล้วว่าพิจารณาปัจเวกนะปัจเวกก็เป็นการพิจารณาอย่างหนึ่งเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับปัจจัยที่เราใช้สอยหรือบริโภค มีทั้งพิจารณาก่อนใช้หรือว่าพิจารณาหลังจากใช้แล้วอันนี้ก็อันหนึง่งคือพิจารณาถึงจุดมุ่งหมายในการบริโภคอย่างเช่นก่อนพระชันนะก็จะมีการพิจารณาปจัจจเอวว่าเราฉันอาหารเพื่ออะไร ไม่ใช่เพื่อความรอร่อยไม่ใช่เพื่อความโก๋เก๋ไม่ใช่เพื่อความอยากสวยอยากมีรูปร่างงดงามแต่เพื่อให้บาบัดทุกขเวทนาคือความหิวแล้วก็ไม่สร้างทุกขเวทนาใหม่คือความรู้สึกจุกแน่นและที่สำคัญคือเพื่อประโยชน์ในการประพฤติพรหมจรรย์หรือเพื่อการใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์อันนี้ก็ แปลความหมายให้ฟังเพราะว่าทุกเช้าเราก็มีการพิจารณากันโดยพระสงฆ์ไม่ชีแต่ว่าบางทญาติโยมก็อาจจะไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรอันนี้ก็เป็นพิจารณาเรียกว่าปัจเวกโดยในเรื่องจุดมุ่งหมายจะบริโภคอย่างไรบริโภคเพื่ออะไรแต่ว่าที่เราสาธยายเมื่อกี้นี้ เป็นการพิจารณาปัจจเวกอีกแบบหนึง่งเรียาทาตุปัจจเวกคือพิจารณาให้เห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่บริโภคนั้นเนี่ยคืออะไรไม่ใช่แค่บริโภคอย่างไรแต่ให้เข้าใจถึงธรรมชาติของมันว่ามันคืออะไรนะี่อันนี้เป็นการมองในเชิงในเชิงปรมัตะและ้ว ปรมัดนี่หมายถึงปรามัติสัจจะความจริงมันมีสองระดับระดับแรกเรียกว่าสมมติสัจจะก็คือความจริงอย่างที่เรารับรู้กันโดยทั่วไปมีคำใช้เรียกว่านี่คือบ้านนี่คือเสานี่คืออาหารนี่คือจีวร นี่คื อ, อยารักษาโรคอันนี้ก็เป็นเป็นความจริงที่เรารู้กันโดยทั่วไปแต่ว่ายังไม่ใช่เป็นความจริงแท้เพราะว่ามันยังเจือหรือมันก็ถูกครอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าสมมุติถูกบทบังไว้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าสมมุติหรือว่าบัญญัติก็คือคำที่ใช้เรียกเรียกไปเรียกไปแล้วก็นึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริง เรียกไปเรียกไปมันก็เราก็นึกว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าบ้านสิ่งที่เรียกว่าอาหารสิ่งที่เรียกว่าจีวรจริงๆแต่ที่จริงแล้วอันนั้นมันยังไม่ใช่มันมีความจริงที่ที่จริงแท้จริงแท้ยิ่งกว่านั้นก็เรียกปรมาทสัจจะปรมาทสัจจะคือการที่เห็นความจริงชนิดที่ว่ามันไม่มีตัวไม่มีตน ไม่มีสิ่งใดที่จ ะ, ะเรียกว่าเป็นตัวตนได้เลยไม่ว่าจะเป็นจีวรไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นเสนาสนะที่ว่าใสา่หรือว่ายากรักษาโรครวมทั้งสิ่งอื่นๆที่รวมเรียกกันว่าสังขารด้วยมันเป็นสักวะธาตุไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาในความ การมองว่านี่คือคนนี่คือสัตว์นี่คือฉันนี่คือเธอนี่มันยังเป็นสมมุติอยู่นะเพราะที่จริงแล้วเนี่ยทั้งหมดนี่ก็ประกอบไปด้วยธาตุเหมือนกันนะเช่นธาตุดินน้ําลมไฟนะมันเป็นเพียงแต่ว่าธาตุทีม่มาประกอบกันเนี่ย อาจจะมารวมกันในสัตว์ส่วนที่ไม่ไม่เหมือนกันก็เรียกอย่างนี้ว่าสัตว์ถ้ามารวมกันในลักษณะนี้ก็เรียกว่าคนนะแต่ว่าถ้าเอาสิ่งต่างๆเอาออกแยกออกไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรปรากฏอยู่ยกตัวอย่างที่ใช้เปรียบเทียบกันก็คือรถยนต์รถยนต์นี่ก็เราก็มองว่ามันเป็นรถ ก็มียี่ห้อต่างๆกันนะแต่และแม้กระทั่งยี่ห้อเดียวกันบางทีเราก็เรียกรถของเราว่าชื่อหนึ่งเรียกรถของเพื่อนเราอีกชื่อหนึ่งแม้แต่บางทีเราก็ใช้คำเรียกต่างๆกันเพื่อให้เห็นถึงความต่างและบางครั้งเราก็สมมุติเอาเองขึ้นมาด้วย ไม่ใช่แค่ให้คนอื่นสมมุติหรือว่าเป็นเรื่องสมมุติร่วมกันว่านี่คือรถเบนนี่คือรถนี่คือรถบีเอ็นี่คือรถโตโยต้ BM, บางทีเราก็สมมุติขึ้นมาของเราเองแบบที่เรียกว่ามันขัดกับสายตาอย่างเช่นเดี๋ยวนี้เราอาจจะเคยได้ยินรถที่เขาติดป้ายเอาไว้ว่ารถคันนี้สีเขียวรถคันนี้สีแดงทั้งนั่งที่ รถคันที่บอกว่าคันนี้สีเขียวนี่มันก็สีขาวรถคันที่บอกว่ารถคันนี้สีแดงมันก็สีน้ำเงินใช่ไแต่ว่าอันนี้ทำไมถึงถึงเขียนอย่างนี้ขึ้นมานนก็เพื่อต้องการให้เกิดสมมุติร่วมกันเจ้าของรถนี้ยเขาอาจจะคิดว่าถ้ารถสีเขียวนี่มันจะมันจะ มันจะเป็นสลีบมงคลแต่ว่าไม่มีไม่มีเงินไม่มีปัญญาเปลี่ยนสีรถนะแต่ว่ามีคนทักว่าต้องขับรถสีเขียวถึงจะเจริญแล้วทํำยังไงอะ่ะงั้นก็ต้องทําทีมมันก็ว่ารถคันนี้สีเขียวแล้วก็ประกาศเพื่อให้คนอื่รู้ว่ารถคันนี้สีเขียวโวอยอันนี้เราสมมุตินะแต่สมมุติแบบนี้คนอื่นไม่รับรู้ด้วยมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่า คนส่วนใหญ่ก็ยังติดสมมุติที่เห็นด้วยตาก็คือว่ารถคันนี้มันสีมันสีขาวเนี่ยไม่ใช่สีเขียวสมมุติแบบนี้มันก็มันไม่ได้ผลใช่เพราะเราเห็นด้วยตาเห็นด้วยตาแท้ๆนี่มันสีขาวไม่ใช่สีเขียวส่วนเจ้าของนั้นเขาอาจจะติดสมมติเขาก็คิดว่ารถคันนี้สีเขียวจริงๆอันนี้ก็เรียกเป็นการหลอกตัวเองก็ได้แต่ ดูให้ดีที่เราบอกว่รารถคันนี้สีขาวอะมันก็ยังติดสมมุติอยู่นะสมมุติบังบา ง, บางตาเราเพราะที่จริงแล้วมันก็ไม่มีสีขาวไม่มีสีอะไรทั้งสิ้นไม่มีแม้แต่กระทั่งสิ่งที่เรียกว่ารถนะเราก็ติดสมมุติอีกชั้นหนึ่งคนทั่วไปติดสมมุติอีกชั้นหนึ่งส่วนเจ้าของรถติดสมมุติเพิ่มขึ้นมาอีกคือไปไปคิดว่ามันสีเขียวให้เราซึ่งเป็นคน ครไม่ครสังเกตการคนภายนอกเราก็รู้ว่ามันไม่สีเขียวมันสีขาวแต่สีขาวที่เราเห็นนั้นก็สมมุติแม้กระทั่งเห็นว่ารถว่าเป็นรถก็เป็นสมมุติเพราะจริงๆมันก็เป็นเพียงแค่คำใช้เรียกคำว่ารถนี่คือคำใช้เรียกสิ่งที่มาประกอบกันแต่มันไม่มีตัวรถจริงๆนะมันไม่มีตัวรถจริงๆ เพราะว่าเวลาเราถอดพวงมาลัยถอดล้อถอดถอดฝาถอดชิ้นส่วนถอดส่วนต่างๆออกทีละส่วนทีละส่วนไม่ว่าจะมีกี่พันกี่หมื่นส่วนพอถอดออกไปหมดมันก็ไม่เหลือตัวรถมันเหลือแต่ความว่างมันเหลือแต่ความว่างอันนี้เาเรียกว่างเปร่าจากตัวตนนะว่างเปลาจากตัวตนไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยนะมันมีแต่มันมีเพียงชั่วคราว ก็ถึงบอกว่าไม่ใช่สัตวะอันยั่งยืนศูนย์โยว่างป่าจะาเขมังตัวตนนะคือรถเนี่ยมันมีเราแตะต้องมันก็สัมผัสได้ว่ามันมีตัวรถอยู่มันมีรถอยู่แต่นั่นคือสิ่งที่เรียกว่ารถแต่ไม่ใช่รถจริงๆคำว่ารถนี่คือสมมุติที่ใช้เรียกเครื่องยนต์กลไกที่มารวมกันนับหมื่นชิ้นแล้วเราก็เรียกว่านั้นว่ารถนะ เหมือนกับเราเรียกบ้านหลายๆหลังที่มามาอยู่ใกล้ๆกันเราก็เรียกว่าหมู่บ้านนะถ้าบ้านหลายๆหลังนันเนี่ยรวมกันใหญ่หน่อยมากหน่อยเราก็เรียกว่าเมืองนะครับว่าเมืองเขาว่าหมู่บ้านที่จริงก็อันเดียวกันนั่นแหละก็คือว่าเกิดจากบ้านหลายๆหลังมารวมกันมาอยู่ใกล้กัน แต่คนเราเนี่ยมักติดสมมติก็คิดว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าบ้านมันมีสิ่งที่เรียกว่าเมืองจริงๆเช่นเดียวกับที่เราคิดว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่ารถจริงๆที่จริงตัวอย่างที่ใกล้ก่านั้นเนี่ยมันก็อยู่กับเรานี่เองนะอย่างเช่นมือเราเนี่ยมือเราถ้าเราแบนะมันก็ไม่มีอะไรแต่พอเรารวมขมวด นิ้วเข้าหากันเราก็เรียกว่ากำมือหรือว่ากำหมัดนะไอ้สิ่งที่เรกากำมือหรือกำหมัดเนี่ยมันมีจริงไหมลองแบมือออกเสนะกำหมัดหรือกำปั้นเนี่ยก็หายไปพอมนรวมกันใหม่ร ว, รวบนิ้วเข้าหากันใหม่กำปั้นหรือกำหมัดก็เกิดขึ้น แต่พอเราแบมือออกกำปั้นก็หายไปอันนี้ไม่ได้แปลว่ามันไม่เที่ยงอย่างเดียวนะแต่มันยังแสดงให้เห็นว่ามันไม่มีตัวตนที่เรียกว่ากำปั้นจริงๆกำปั้นนี่คือคําที่ใช้เรียกมือที่รวบข้าหากันนิ้วที่รวบข้อหากันเราก็เรียกว่ากำปั้นเป็นสมมุติแต่พอเราไปติดกับสมมุติจริงๆเข้าเราก็นึกว่ามีกำปั้นจริงๆแต่ที่จริง มันไม่มีนะอย่างที่เราเห็นด้วยตาคือพอเราแบมือออกนะมันก็ว่างไม่มีอะไรเหลือไม่มีกําปั้นเหลือดนะัถ้าเราพิจารณาไปทีละอย่างทีละอย่างแบบนี้แม้กระทั่งสิ่งที่เรียกว่ามือสิ่งที่เรียกว่านิ้วมันก็เป็นแค่สมมุติที่ใช้เรียกกันนะอันนี้เราเรียกปรมาทิตย์สัจจะนะคือการที่มองเห็นความจริงที่ลึกไปกว่าสมมุตินะ ก็จะเห็นสิ่งทั้งหลายปวงศักด์แต่ว่าเป็นธาตุนะเป็นธาตุแม้กระทั่งคนสัตว์ก็เป็นธาตุเมื่อธาตุมารวมกันในสัดส่วนที่พอเหมาะแล้วก็เรียกว่าคนนะอันนี้เป็นการพิจารณาที่ที่ที่ควรจะระลึกเอาไว้นะแต่ว่าพิจารณานี้ s เขาไม่ได้พิจารณาเพียงแค่นึกคิดเอานะ ก็ต้องพิจารณาด้วยการมองให้เห็นนะหมองให้เห็นเนี่ยตรงนี้เราเป็นเรื่องของวิปัสสนาแล้วเพราะว่าถ้าใช้ความคิดพิจารณามันยังเป็นแค่การคิดด้วยเหตุด้วยผลอยู่ยังไม่ใช่เห็นความจริงวิปัสสนาเนี่ยก็คือการที่ทําให้จิตเนี่ยเห็นความจริงโดยไม่มีสมมุติมาปิดบงัง ก า, การพิจารณาอย่างนี้เข า, าเรียกวิวปัสสนาซึ่งก็มีหลายแบบมากนะกายานุปัสสนาซึ่งเป็นหนึ่งในสติปัฏฐานสี่ก็คือการพิจารณาหเห็นความจริงในหลายๆด้านในหลายๆแง่มุมรวมทั้งการได้เห็นว่าไอ้ร่างกายนี้ร่างกายยาวาหนาคืบเนี่ย มันก็เป็นสักแต่ว่าธาตุนะอันนี้เขาเรียกว่าที่เรียกว่ารู้กายรู้กายเนี่ยหรือดูกายเนี่ยก็มีความหมายรวมถึงอันนี้ด้วยมันดูได้หลายอย่างนะแต่ว่าการดูและเห็นถึงความความเป็นแค่ธาตุนะหเห็นว่ารังการที่เป็นสักดิว่าธาตุนี่ก็เป็นอันหนึ่ง หรือการพิจารณาร่างกายนี่ไม่เที่ยงไม่งามโดยพิจารณาเห็นเป็นซากศพก็อันหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่ารวมเรียกว่ากายานุปัสสนารวมทั้งการตามลมหายใจอานาปานาสตินี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกายานุปัสสนารวมทั้งการที่มีความรู้ตัวทั่วพร้อมในอเรียบท่างๆ ในสัมปชในอิเรียบบทต่างๆนี่ก็เรียกว่าเป็นกายอนุปัสสนาันการเจริญการเจริญภาวนาเพื่อเห็นความจริงนะของกายและใจเนี่ยนะมันจุดมุ่งหมายคือเพื่อหเห็นถึงความจริงในระดับที่เป็นประมมัติโดยเพราะ ในร ะ, ะดับเบื้องต้นคือการที่ทําให้เราเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเรารในที่เราเจริญสติกันยกมือเคลื่อนไหวสร้างจังหวะเดินจงกรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้เกิดความสงบอย่างที่เข้าใจนะความสงบไม่ใช่จุดมุ่งหมายนะสําคัญหรือที่สุดในการเจริญสติ เพราะความสงบเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงแล้วมันก็อยู่กับลอเพียงแค่ชั่วคราวแต่ว่าสิ่งที่เป็นจุดมุ่งหมายสําคัญคือการที่ทําให้เราเห็นความจริงว่ากายและใจรูปและน า, น, นามนี่ไม่ใช่เราหรือเห็นความจริงในระดับเบื้องต้นเลยคือว่าเห็นว่าไอท้ที่ไอ้ที่นึกว่าเป็นเราเรียกว่าเป็นเรา ที่จริงมันไม่ใช่มันเป็นแค่รูปกับนามกายกับใจแคนเราเนี่ยก็ยังโดยทั่วไปแล้วผู้ที่ไม่ได้ศึกษาเนี่ยก็ยังคิดว่าเนี่ยคือเราเวลามองไปที่กระจกแล้วเห็นหน้าตัวเองก็คิดว่าเนี่ยคือเราเราเดินเราคิดเราพูดเราทำมันมีเราตลอดเวลา อันนี้เป็นสมมุติเป็นเป็นอวิชชานะแต่ว่าการเจริญสติทําให้เราเห็นลึกย่อ ย, ย, ยแยกจากที่คิดว่าเราเดินมันไม่ใช่เราเดินมันเป็นรูปที่เดิ น, นเป็นกายที่เดินที่ยกมือเคลื่อนไหวไม่ใช่เรายกมือเคลื่อนไหวแต่มันเป็นเป็นรูปที่ยกมือเคลื่อนไหวที่คิดนี่ไม่ใช่เราคิดแต่เป็นเป็นเป็นน้ำที่คิด มันเริ่มแยกย่อยออกมาจากที่เห็นว่าตัวกูตัวกูมันย่อยออกมาเป็นรูปและนามกายและใจแต่ก็ยังมีความยึดติดว่ารูปนี่เป็นของเราใจนี่เป็นของเราหรือว่าเห็นว่ารูปแลกนามนี่เป็นตัวเราของเรามันก็ยังมีตรงนี้ที่ต้องมองให้เห็นต่อไปว่ามันไม่ใช่เลยนะรูปก็ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเราน้ําก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้แหละที่การปฏิบัติต้องทําให้เกิดญาณหรือปัญญาที่เห็นว่ารูปเรืนองนามไม่ใช่เราถ้าเห็นได้ขนาดนี้จริงๆนะก็เรียกว่ารู้ธรรระดับโสดาบันละแต่รู้แล้วก็ยังยึดอยู่นะอย่างที่ว่าเป็นเงาเป็นของเราอยู่ เมลอนก็เรารู้ว่าโทรศัพท์ไม่ใช่เราแต่มันยังมีความรู้สึกเป็นของเราอยู่เสื้อผ้านี่ไม่ใช่เร า, เ, ราเห็นชัดๆเลมันอยู่นอกตัวแต่มันยังเป็นของเราอยู่ยังมีความหวงแหนยังมีความยึดอยู่เราก็ต้องปฏิบัติไปจนกระทั่งเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วมันไม่น่ายึว่าเป็นของเราด้วยนะอันนี้ก็ อนาคาเมียลเลยจากสกิทาไปอนาคามีถ้าเห็นต่อไปถึงก็ว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่ของเรามันไม่นายึดถือเลยวางได้ก็เป็นพระอรหันต์อันนี้คือลาดับขั้นของการปฏิบัติซึ่งเราก็ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายว่าปฏิบัติเพื่ออะไรนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไปคิดว่าการปฏิบัติก็เพื่อความสงบ นะอันนี้ก็เข้าใจได้อยู่เพราะว่าคนที่มาวัดมาปฏิบัติส่วนใหญ่เพราะพบความไม่สงบแล้วก็รู้ว่าที่ไม่สงบเพราะใจนะถ้าใจนิ่งใจไม่คิดฟุ้งปรุงแต่งอะไรก็สงบแต่ว่าตราบใดที่มันยังมีอวิชชาอยู่ยังมีความยึดติดถือว่ามัเป็นเราเป็นของเราอยู่มันก็ไม่มีวันที่จะสงบไปได้ตลอด เพราะเพียงแค่ว่าจากเดิมที่สงบกลายเป็นไม่สงบไปแล้วเมื่อวานนี้ยังสงบอยู่เลยวันนี้ไม่สงบก็จะเกิดความไม่พอใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วก็จะพยายามดิ้นรนเพื่อให้มันสงบให้ได้อันนี้เพราะยังมีอวิชชาอยู่เพราะยังไปคิดว่าจิตนี้เป็นของเราบังคับควบคุมได้อย่างเช่จิตเป็นอัตตานี่ก็เพราะมีอวิชชาแต่อะไ้ที่ยังไม่ บทเรื่องอวิชชานี้ยังมีจงตั้งเห็นว่าจริงๆแล้วจิตมันบังคับไม่ไดนะ้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันวันนี้สงบพรุ่งนี้ไม่สงบเป็นเรื่องธรรมดาถ้ายังมองไม่เห็นถึงขั้นนี้มันก็ไม่มีวันที่จะสงบได้อย่างแท้จริงความสงบที่จริงต้องเกิดจากปัญญาเกิดจากอาวิชเกิดจากวิชาเห็นความจริงว่าเป็น ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตารวมทั้งกายและใจนี้หรือว่าเวลาฝนตกแดดออกเสียงดังชาคนที่ต้องการความสงบก็จะไม่พอใจอันนี้ก็เพราะยังมีอวิชชา ย, ยังไม่มีปัญญาว่าสิ่งทั้งปวงนั้นเนี่ยมันไม่อยู่ในการควบคุมของเราได้ยังไม่เห็นความจริงว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเพอเห็นความจริงว่าเป็นเช่นนั้นเอง มันก็วางไม่มีความทุกข์เสียงดังก็ดังไปแต่ว่าใจฉันก็ยังสงบได้นี่สงบได้เพราะมีวิชาใจที่จริงถ้ามีสติมันก็ให้ช่วยสงบได้นะพอใจงุดเหงิดขึ้นมาเพราะเสียงดังใจบนกระประกระแปดเพราะฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจพอเรารู้อย่างนี้มีสติรู้มันก็วางถ้าความงดเหงดท้ายไป ยอมรับสภาพที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าตัวอวิชชาที่มันนอนเนื่องแล้วอวิชชาสวะหรืออวิชชานุใสเนี่ยมันก็ยังอยู่มันนอนเนื่องอยู่เวลาเราสงบสงบเนี่ยไม่ใช่เพราะมันหายไปแต่เพราะมันมันมันนอนเนื่องมันไม่แสดงอาการออกมาเหมือนกับ น, น้ําที่ตะกอนมันจับกัน ตะกอนมันนอนก้นก็ดูมันใสแต่พอมีอะไรมากระทบมาเขยา่าตะกอนนันก็ฟุ้งขึ้นมานักปฏิบัติจํานวนมากเป็นอย่างนั้นก็คือว่าสงบเหมือนกับน้ําที่นิ่งใสแต่ว่าไม่ไม่ตระหนักว่าที่จริงแล้วเป็นเพราะมันตะกอนมันนอนก้นแต่พอมีอะไรมากระทบเสียงดังเจอคนดา่าเจอคนว่าเจอคนตําหนิ ตะกรอมก็ฟุ้งขึ้นมาเหมือนกับน้ำที่ถูกขยิบอ่นอันนี้เพราะว่าเราคิดแต่จะปฏิบัติเพื่อความสงบเราไม่คิดที่จะปฏิบัติเพื่อเกิดปัญญาจนสามารถที่จะทำให้ตะกรอนนั้นมันหายไปที่จริงถ้าปฏิบัติถึงจุดหนึ่งมันก็เห็นแล้วว่าแม้แต่ แม้แต่แก้วน้ำมันก็ไม่มีเมื่อแก้วน้ําไม่มีตะกอนมันจะอยู่ไหนแก้วน้ําไม่มีมันก็ไม่มีน้ําไม่มีตะกอนเหมือนกับที่ท่านเวลังได้ถ้าเวลานี้ก็เป็นสังฆปรินา ย, นยกคนที่หของลทัทธิชาญของจีนก็คือเซนของจีนแต่ตอนเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์ผู้น้อง ไปเห็นสโลก ข, ของผู้พี่เขียนว่าจิตนี้เหมือนกับกายนี้เหมือนต้นโพจิตนี้เหมือนกระจกต้องเช็ดต้องถูให้สะอาดอยู่เป็นประจำท่านก็ไปเขียนใหม่เพราะตั้งคิดวันนี้ไม่ถูกท่านกงบอกต้นโพหามีไม้กระจกก็ไม่มีเมื่อไม่มีไ ม, ม่มีกระจกแล้วจะฝุน่นทุลีจะตกจะมาจับได้อย่างไร พอเขียนอย่างนี้นี่อาจารย์มาเห็นก็รู้เลยว่าเนี่ยท่านไว้หลังนี้สิทธิ์คนนี้นี่รู้ทำละแต่ว่ารู้รู้ไปขณะเดียวกันก็รู้ว่าจะลําบากเพราะว่ารุ่นพี่ก็จะไม่พอใจก็ก็จะหาทางกันแกร้งเพราะว่ารุ่นพี่เขหวังจะได้เป็นสังฆปรินายกสืบต่อ อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเกร็ดที่มีชื่อเสียงของท่านไวรหลางแต่ประเด็นที่ต้องการเชื่อคือว่าท่านไวรหลางเนี่ยเข้าถึงธรรมจก็ต้องเห็นว่าแม้แต่กระจกก็ไม่มีาคนที่ยังปฏิบัติยัง ต, ติดอยู่ในสมมติยังคิดว่ามันมีกระจกที่ต้องเช็ดต้องถูอยู่เพื่อไม่ทุลีจับแต่ท่านเวหลางเห็นว่า จริงจงแล้วจิตก็ไม่มีตัวไม่มีตน ม, ม, มันว่างก็เหมือนกับไม่มีกระจกคนที่เห็นจิตว่างเห็นจิตว่างแบบนั้นเนี่ยก็จะไม่มีทุรีมารบ ก, กวนก็จะไม่กลัวอะไรเลยก้อนหินตกก็ไม่กลัวเพราะไม่มีกระจกที่จะรองรับให้แตก คนที่งคิดว่าจิตเหมือนกระจกนี่ก็คือคิดว่ายังมีตัวตนอยู่ก็ต้องคอยเรามัดระวังทุลีต้องคอยระมัดระวังไม่ให้ฝุดมาเกาะระวังไม่ให้ก้อนหินมาตกกระแทกแตกก็คื อ, อยังต้องระวังเพื่อไม่ให้เกิดความทุกข์มีอะไรมากระทบก็พร้อมจะทุกข์พร้อมจะพร้อมจะกระเพิ่มได้หรือแตกยับเยินได้ นี่คือสภาพของจิตของคนที่ยังมีความยึดติดถือมั่นในตัวตนอยู่ถึงแม้ว่าจะพยายามเช็ดพย า, ยามถูการเช็ดการถูก็คือการให้ทานรักษาสีนั่นเองหรือว่าการทาสมาธิแบบสมถนะจิตมันหมองก็พยายามเช็ดพย า, ยามถูไม่ให้จิตมันหมองให้จิตมันแช่มชื้นเบิกบานตลอดเวลาอันนี้เพราะยังยังยึดยังมีความหลงว่ามันมีตัวมีตน เลยต้องพยายามรักษาตนให้ดีรักษาความดีของตนเอาไว้แต่พอมองเห็นความจริงว่าในระดับปรมัดว่ามันไม่มีตัวตนอยู่เลยสิ่งที่เราจิตก็เป็นสมมติเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีแต่มันมีโดยสมมุตินะก็หลุดเหมือนกับไม่มีกระจกที่จะต้องกลัวฝุ่นจับหรือกลัวก้อนหินมาตกมากระแทก ถ้าเราเป็นความสุขก็เป็นความสุขที่ยั่งยืนไม่มีความระแวงไม่มีความหวาดกลัวไม่มีความวิตกเป็นความสุขอย่างแท้จริงเป็นสุขที่เหนือสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเข้าใจปรมาทิตย์จารนี่เป็นสิ่งสําคัญที่ชาวพุทธเราควรจะพยายามเข้าให้ถึงเรียงน้อยก็มีสัญญารับรู้ว่ามันมันมันคืออะไร ด้วยการพิจารณาอยู่เสมอการพิจารณาก็ทําได้หลายแบบนะพิจารณาโดยการเอาสติมาดูมีสติรู้เฉยๆไม่ใช่แค่คิดเอาแต่ให้จิตเห็นความจริงโดยมีสติเป็นเครื่องเป็นเครื่องช่วยรักษาจิตให้เห็นความจริงได้เพราะถ้าไม่มีสตินี้อารมณ์มันก็มาครอบงํำจิตหมดบังจิตทําให้จิตไม่เห็นความจริงแต่พอเรา พอมีสติช่วยจิต ก, ก็สามารถเห็นความจริงเห็นไปเห็นไปก็ยอมรับความจริงท้่เออกายก็ดีใจก็ดีมันมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราใหม่ๆก็ดูจิตยากก็ดูกายไปดูกายเห็นว่ากายทำอะไรก็ให้รู้ว่าทำอะไรอารู้แค่นี้ก่อนรู้ว่ากายทำอะไรไม่ใช่ฉันทาอะไรแต่รู้ว่ากายทำอะไรดูไปดูไปก็จะเห็นว่า กายนี่ไม่ใช่เรากายนี่ไม่ใช่ของเราเนั่นก็จะค่อยๆลําดับการลําดับความจริงเห็นขึ้นไปลึกขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็ให้เรานะเข้าใจจบมุขขังการปฏิบัติการปฏิบัติของเราก็จะได้ไม่หลงทางหรือว่าไม่ไม่ติดตันชาตินี้ก็พูดกันท่า น, นี้